Nakmu taja, akawatu arahatu sama camput haja. Nakmu taja, akawatu arahatu sama camput haja. Nakmu taja, akawatu arahatu sama camput haja. Put hang samang sangkang nama kami. Itu barang terkejang kamu. โตตะโวกีเอาญอาติโยมทั้งหลายทุกคนต่อไปนี่ตั้งใจฟังธรรมนี่ขอวางมือลงตามสบายก็ได้ไม่ต้องประนมมือก็ได้เอาจิตก็ลบนั่งให้มันสบาย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 ในท่าที่ดีก็นั่งเอามือวางลงบนตักนั่งสมาธิเราพูดง่ายๆปรเดี๋อวเข้าที่นั่นเองเนะี่ยมันไม่ค่อยเข้าที่กันในคนเราเนะ่ะนี่เดี๋ยว่าเข้าที่มันวันสองวันเราก็ไม่เคยเข้าที่มันหรอกนะนี่เดี๋ยว่าเข้าที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เอาพอกันนั่งเข้าที่มันมันจะ อ, อยู่ที่มัน เอาทุกคนบัดนี้วันนี้คุณธบริษัททั้งหลายทั้งกรหัสเจบาปราชิตทางหลายด้วยมารวมกันณสถานที่นี่เพื่อการบำเพ็ญบุญมีการทอดผ้าบังสุลเป็นพื้นประเพณีมาจากครั้งพุทธกาล วันนี้จึงไม่มีผ้าป่ามาทอดผ้าป่ า, ปาสองรายซึ่งมาเรียนอตาตมาจะทำยังไงดีจะพรุ่งนี้หรือตอนไหนจะทอดอาตมา ก, ก็เยใย้ความเห็นว่าโยมมันไม่มากไม่น้อยเท่าไรเนอกเอามารวมทีเดียวกันซะพรุ่งนี้หกโมงพระก็จะออกไปเปิียนธบะแต่มันก็จะบาก ไม่ว่าทห้มันเป็นอันเดียวกันนี่แล้วพอญาติโยมเขาก็ไปปรึกษาอืในความมีความเห็นสามกีกันก็มารวมกันเป็นอันเดียวกันก็คือมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วหล่ะถ้าเราเอาไม่มาไม่เอามารวมมันก็รวมเป็นอันเดียวกันนั้นแหละพามันก็่าอันเดียวกันมอนมาเป็นมอนอันเดียวกันอะไรมันก็อะไรอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ย ถ้าเราเอามารวมกันเช่นเชนนี้แกค่ความกลมกลียวกันทุกอย่างทุกประการนั่นมันก็ไม่มีอะไรก็สบายแต่ว่าวันนี้อาตมาจะพยายามพูดธรรมะให้ฟังธรรมะอาตมานั้ น, ม, นมันมีค่อยมีตนมีปลายกับเขาหรอกอ ม, มันธรรมะเบิดตเต็ด จ, จับเอานู้นบั่งจับเอานี้บั่งเราะว่าเทศตามความรู้สึกไม่ได้ศึกษาตำรับตำรามากศึกษาแตพ่อจิตแต่โดยมากอย่างนั้นจึงไม่รู้จักข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่กับเขาเอามารวมมามารวมรวมรวมกันต่อมามันก็เป็นธรรมะให้เราเข้าใจอย่างนั้น เทศตามความรู้สึกได้ยินข่าวว่าข้าวปลาจะมาทอดจะนึกว่าเออจะเทศอะไรให้ศรัทธาฟังน้องก็ไม่ได้คิดนั่งยืนข้างล่างวะวันนี้จะเทศอะไรให้โยมฟังก็ไม่ได้คิดขึ้นมาธารมะแล้วราษฎรเทศอยากจะเทศอะไรให้โยมฟังก็ยังไม่รู้นะ มันรู้แต่คำที่จะพูดต่อๆไปนี้แหละอย่างนั้นเดียป้าการตั้งใจฟังคุณนคมว่านี่คือจุดสำคัญจุดสำคัญคือจุดฟังธรรมนี่เป็นจุดสาคัญแค่พระพุทธเจ้าอ่ะให้ทานทั้งหลายตั้งกวงข้อมิเทวให้ทานเป็นทับพูดตอนนี้เต่คนเดียวก็ไม่รู้เนาะอย่างนี้วางคนก็คงจะ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 มันสบายที่ตรงไหนไม่รู้เรื่องอืมแต่หาความสบายอยาก ไ, ได้แต่ความสบายได้ยินชื่อว่าสบายแล้วก็เลยอยากจะ้ได้อย่างนี้เป็นต้นปรารถนาความสบายกันไอ้คนเรานั้นน่ะมันไม่สบายหรอกโยมมันไม่สบายแต่ความไม่สบายนั่นมันให้เกิดความสบายอืม มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนปีนไปมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีการยืนการเดินการนั่งการนอนสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างเนี้ยเปลี่ยนอยู่อย่างเนี้ยมันอาศัยการเปลี่ยนที่เราอยู่นี้ธรรมะของพระพุทธ เ, ทเจ้าของเรานั้นเนี่ยแม้มันตรงไปทีเดียวโดยเพราะทําไมไม่รู้ใจเรามันไม่ตรงท่านพูดตรงไปที่นี้เราไม่ไปที่นั้น ไปคนในอย่างกันอืมน่อัตมาเคยเล่าให้ฟังว่าเทให้ฟังก็ตั้งคืนนะให้พูดถึงบ้านอัตมาหลักแถวๆเนี่ยเทเสดฟังก็นั่งฟังกันก็ทั้งคืนก็ได้แต่ว่าเทศสดจบแล้วประกันเดินกลับบ้านแต่ยินเชียงบนกันว่า เออท่านเทศอะไรก็ถูกคนท่านมดทุกอย่างอะไรแค่ว่าเราทําไม่ได้เราคารมไม่ได้เราทําไม่ได้โดยมากกลาเป็นกันใจอย่างนี้อืถ้าหากว่าเปลียนเช่นนั้นมันก็ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะมันก็ทุกมันก็ยากมันก็ลาบากจะอยู่คนเดียวมันก็ลาบากจะอยู่หลายคนมันก็ลำบาก จะรวยมันก็รำบากจะจนมันก็รำบาดเพราะว่ามันหลงมันเป็นกันตั้งอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าที่ตรัสอนไว้ท่านว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเราก็บ่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์ ถึงว่าเราปล่อยเปลี่ยวาจาไปแล้วก็นึกว่ามันจะสบายอย่างนั้นอันนี้เป็นเป็นความจริงเพราะคนที่เขามานี้อาตมานีทุกจังหวัดโดยมากถ้ามีความสุขแล้วไม่ค่อยเข้ามาหรอกถ้าไม่ค่อยสบายแล้วก็มามาทำไมถึงเข้ามาไม่สบายไม่สบายอะไรไม่สบายใจ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 มันเป็นอินทรีย์จากขุนศรีโซตินทรีย์ายินทรีย์มายินทรีย์อะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะมันอินทรีย์อันนี้คนก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอาตมาเคยได้ตอบโยมทั้งหลายที่มาวัดป่างมกับหรงพ่อบทดังนี้เอาเป็นมาจากที่ไหนว่ะเอามาจากประอิน บางคนก่อนึกว่าโยมให้บางโยมบางคนก่อนึกจะว่าจะมาพูดเล่นอืเอามาจากปะอินปะอินเนาให้ก็โยมไม่ดูจากปะอินก็แงหน้าแงหลังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงไม่เคยเห็นปะอินนะนะไอ้ความจริงพระอินเนี่ยเราไปนั่งที่ไหนก็ไปที่ น, นั่นเรานอนที่ไหนก็อยู่ที่ น, นั่นเราเดินที่ไหนก็อยู่ที่ น, นั่นอืม ป้าอินอินสีทั้งห้านั่นแหละใจหัวใจมูกเรียนกายใจเป็นป้าอินแค่นั้นโบทดังนี้อาจจะมาจริงว่าพระอินให้เป็นมาอย่างนั้นใ้ความเป็นจริงนั่นนี่เนี่ยพระอินท์ที่มีอยู่นี้เราก็ไม่รู้จักพระอินในความเป็นจริงธรรมะมันมีอยู่ในเราเราก็ไม่รู้จักธรรมะ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 พูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่รู้จักความจริงมันเป็นไงอย่างนั้นอันนี้เพระอะไรเพราะอะไรมีอะไรในน้อยมาปิดบังไว้ที่ไม่เห็นความจริงอืถ้าเราเห็นความจริงรับความจริงแล้วนั่นน่ะอืมันก็สบายปัญหามันก็น้อยเช่นมาวันนี้การให้ทาน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 ปัจจุบันในวันนี้นนนน ม, มีอะไรสูงไหมทุกสิ่งสารพัด ท, ที่ญาติโยมรวบรวมมาตั้งหลายเดือนเลี่รวมกันมาเนี่ยเพื่อจะมาให้ทานมันเป็นของยุ่งมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากถ้าให้ทานไปแล้ว ก, ก็สบายใจถ้าไปขโมยของของมาสิที่เราเสียไปวันนี้ยังไงวันนี้ก็นอนไม่หลับเสจะแล้ว น, นี่นี่คือการเห็นแก่ตัวไม่สบายใจก็ทั่งวันก็ทั้งคืนซะแล้วฉะนั้นการให้อันนี้มันจึงเกิดประโยชน์เฉพาะบุคคลที่มีปรรัญญามีประโยชน์หลายอย่างวันนี้โยมทุกคนแม้จะมากหรือน้อยก็ตามดีครับตั้งใจมาแล้วถึงมาก็มาดรวยความพอใจ มาถึงแล้วก็พอใจถาวายจะถูก ป, ประใจไปแล้วก็พอใจก็ดีกว่าใจเรามันสบายไอ้ความสบายใจที่ว่ามันไม่มันถูกต้องอหละเดียวกว่า บ, บุญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นเองเมันมีความสุขความสงบ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 มันเป็นอะไอย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องได้ยินจำเป็นที่เราจะต้องได้ฟังถ้าเราทั้งหลายรับความจริงกันแล้วมันก็สบายกันตรงนั้นนะแหะถ้าไม่สบายนะ่ะอย่างเราทุกคนที่มาฟังธรรมนี่หรือนอกนี่ไปก็เหมือนกันเกิดมาทำไมใ้ความที่เราเกิดการที่เราเกิดนะคือเรารับพูดง่ายๆเขาเอาไว้เลย รับมาตายนั่นเองเลยใครจะยอมตายมาฉันคนหนึ่งจะรับยอมตายทุกๆคนเนี่ยเป็นเป็นทางนี้จะเก็บจะแก่จะเก็ บ, กบจะตายรับรองเธอหนนะ่อฉันชอบไม่ดบดีเทว่าเกิดมาแล้วนะมันปวดที่สษนนิดเดียวก็ไปชอบกันแล้วนะ มันจะเป็นอะไรนิดเดียวก็ไม่ชอบไม่ชอบมันก็เกิดทุกข์เถอะเนี่นยทำไมมันตึงทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงออืมจะไม่ชอบสักอะไร่เพราะว่าเป็นไปอยู่อย่างเนี้ยเอเป็นไปอยู่อย่างเนี้ยอันนี้คือแก่นของธรรมะมันเป็นหลังนั้นอาตจมาถึงมาอืมพูดให้ญาติโยมฟังทุกวันนี้ไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไหร่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 ทำไมบางครั้งเราถึงเป็นสุขเพราะเราไปชอบมันเข้าไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชอบไม่ชอบนั้นมันเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ฉีนั้นแต่คนไม่ค่อยมองดูตัวของเจ้าของไปมองดูอย่างอื่นมากมันจริงไม่เห็นต้นถ้าคนเห็นตนมันก็เห็นความจริงเห็นตนก็เห็นจัมมะเห็นธรรมะมันก็เห็นต้น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 แต่ว่าคนนั้นไม่อยากจะฟังทรรมที่แท้ยังในเครื่องพระพุทธเจ้าก็ยังมีเลยท่านพูดเรื่องอันิจังทุกขังนะอาจารที่ด่าสกุลร่างกายที่เราเนี่ยมันไม่สวยไม่งามไปพบกับหญิงคนหนึ่งอีกคนสวยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศ่าไม่สวยก็โกรธท่านไม่ชอบจะฟังเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับ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 บางคนนี่ยตามมานอกไม่ค่อยเห็นอันนี้ไม่กล้ามาดูทั้งกลัวทั้งเกลียดด้วยวิ่งหนีกลัวนี่ก็เดือยคนไม่เห็นตนไอ้ที่วิ่งไปก็กระดูกกรนนะดาภาวิ่งไปก็ยังกลัวกระดูกเชือ น, นันเองเมื่อเือนี้นอนห่มผ้าพื้นเดียวกันเลยมาเห็นโครงกระดูกก็ยังกลัวอยอ น, นันตอี อันนี้คือคนมาเห็นตัวเห็นตนเห็นเจ้าของว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรจึงเกิดความบาดความกลัวนี่แต่ของมีอยู่เป็นอยู่พ่มไม่เห็นพ่อเราไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านก็สอนมีอยู่ที่ตัวของเรานี่ยในตัวของเรา แม่เป็นนักบวชที่จะบวชมาในพุทธศาสนาอุปชาบวชคุณบุตรลูกหลานก็เจสาโลมาน้าคาจันตาตาโจ้ไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่เห็นเน่มันมีอะไรปิดบังอยู่เจสาคือผมนี่ไม่เห็นท่านว่ามันไม่สวยไม่ยอมไม่รับไม่ยอมรับ มันไม่สวยมันไม่งามมันสกรปรกมันน่าเกลียดมันสุกรโรคไม่ยอมไม่รับไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพือไม่เห็นธรรมะอันแท้จริงนั่นเองอืมดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจริงแบบฟังธรรมฟังอยู่เรื่อยแต่ฟังก็ให้พิจรารณา ให้มันรู้จักอย่าฟังไปเฉยๆการฟังธรรมนี่ได้บุญมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้บุญเพราะฟังเฉยๆคล้ายๆที่น้ํามันยออเท้าเรานเนี่ยเราไปมองอไอ้อุ้นี่มันเก็บเท้ามันแบบนี้น้ําเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยน้ําเห็นไหมเนะ่ะมองเห็นนั่นนะเห็นไหมนี่เห็นแล้วเห็นน้ําแล้วทําไมมันจะหายล่ะนะบุ่งมันดอกเทียถ้ามันดอกเทียมมันก็หายแล้วนั่นเนี่ย อันนี้เห็นว่าไอ้น้ำเห็นอยู่แต่ไม่ถอนน้ำออกจากเท้าแล้วก็เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นเนี่ยอันนี้ถึงมันกันฉันนั้นคือบุคคลไม่เห็นน้ำคือไม่รู้จากทุกนั่นแหละทำไมมันไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้จากทุกไม่รู้จากเหตุเกิดของทุกไม่รู้จากความหลับทุกไม่รู้จากข้อปฏิบัติในความหลับทุกนี่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 แต่ไปก่อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแท้ไม่อยากทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็แย่งธรรมะมันก็แย่งคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละมันจะเห็นทีตรงไหนอืมเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับทีตรงไหนมันก็ดับไม่ได้ จะปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเราเองเนี่ยไม่รู้การรู้ตัวรู้ตนของเราก็คือก่อนธรรมะอืก่อนธรรมะมันอยู่ที่เนี่มันมีรูปเจ้าก็มันมีนามมาวันนี้พอเราทั้งในเตรียมพร้อมมาทุกคนเลยไม่มีเหลืออยู่บ้านเนี่ยือ เครื่องมือปฏิบัตินั่นไม่มีเศษทิ่งอยู่บ้านเนี่ยเอามาหมดแล้วอืมีไ ม, ม่ตาหูจีบหมวกดีนกายเอามาหมดโดยไม่มีเหลือเลยเครื่องมือปฏิบัติเอามาหมดไม่มีเหลืออยู่บ้านออกมาวัดประพรมหมดวันนี้เนอะเครื่องมือมีหมดแล้วเพราะหมดแล้วแต่ว่าบางคนก็จะยังไม่รู้นะบางคนก็ยังไม่รู้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 ความสงบขึ้นมามันก็หมดข้อปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วกเพราะมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับเราว่าตู้ใบหนึ่งก่อนมันเป็นต้นไม้มันเป็นทนไม้อยู่มันก็มีปัญหาที่เราจะต้องทำมันมาเรื่อยมันมาตัดมันในสัดด้ส่วนเพราะว่ามันมีเหตุที่จะต้องทำมีอยู่เมื่อเราทำเสร็จแล้ว อาจะแลกแล้วเอาโชว์ไว้เท่านั้นหมดที่จะต้องทําแล้วมมันหมดสิ่งที่จะต้องทำแล้วหมดในตู้ใบนั่นแหละตู้ใบนี้สมัยแต่ก่อนมันเป็นต้นไม้บัดนีมาเป็นตู้ที่สวยงามนับได้ว่าของที่ไม่สวยงามนั่นแหละมันเกิดความสวยงามเราทุกคนนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นทุกคนก็เป็นผู้ทุชนมาเท่านั้นเนี่ย ไม่ใช่มาแต่เรานะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอืมไม่ใช่มาแต่พวกเรานะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นพุทธชนมาทั้งนั้นเนี่ยเออไม่รู้มาทั้งนั้นเนี่ยมันถึงรู้แต่โยมทั้งหลายอย่าลื ม, มาจุดที่สําคัญนะไอ้ความสุกกระปกอยู่ที่ตรงไห น, นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเคยคิดไหมเห็นบ้านทนะีสุกกระปุกไหมมันสุกกระปกที่ตรงนี้ เราก็ไปเช็ดมันจีดตรงนั้นล้างมันที่ตรงนั้นไอ้ความสะอาดก็เกิดขึ้นตรงนั้นไม่เกิดที่อื่นเนี่ยช้วยชามมันสกปรกเอาไปล้างมันที่มันสกปรกนั้มันก็มีความสะอาดเกิดสมาธิตรงนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วธรรมะมันอยู่ตรงนั้นไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสกปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดอยู่ที่นั่นความวุ่นวายอยู่ที่ไหนความสงบอยู่ที่นั่น ความไม่ถูกอยู่ที่ไหนความถูกอยู่ที่นั่นมันมีพร้อมทั้งสองอย่างอยู่แล้วแหละแต่เรามาค่อยดูมันซะถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบใจเกิดมาไม่ชอบก็เวียงมันทิ้งเลยไม่ต้องดูมาแล้วเบือ่อเบือเบ่อชนิดนี้ไม่ใช่เบื่อธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเบื่อโลกพระพุทธเจ้าท่านเบื่อโลกท่านไม่ทำลายโลกท่านไม่เหยียดหยามกับโลกท่านสร้างเบื่อทอดอะไรนั่น เบื่อหรือการปล่อยเบื่อหรือการวางเราเบื่อหรือการผูกมัดกรัดดึงเบื่อด้วยกิเลสเบื่อด้วยตัณหาอย่างคนเบื่อคนก็เหมือนกันไม่อยากจะเห็นหน้ามันไม่อยากพูดกับมันไม่อยากจะไปหามันอันนี้มันเบื่อด้วยกิเลสไม่ใช่จะเบื่อเดี๋ยวมันร่างจากกิเลสแล้วอันเนี้ยเบื่อมันก็มีอยู่แต่มันเบื่อพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เบื่ออย่างหนึ่งเราเบื่อเราก็เบื่อไปอย่างหนึ่งมันคนใะเรื่องกัน ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ด้วยกันถ้าคนเราไม่พิจารณาด้วยธรรมะไม่เห็นเข็มมาของสกบตกอยู่ที่ไหนของสะอาดอยู่ที่นั่นนี่เป็นต้นมันในหน้านะ่ะบุญวายที่ไหนที่สงบอยู่ที่นั่นมันไม่น่าคิดนี้่ฉะนั้นละ่ะบุญวายตรงนี้เราก็เนแน่ความสงบอยู่ที่โน้นไปด้ว่อยทีเดีวยว อืนี้จยาการมาอยู่เรื่อยๆไปแต่เราว่ามันจะปกมันต้องกระโปกที่ตรงไหนถ้ามาทําความสะอาดไอ้มันหมดตรงนั้นมันก็เกิดความสะอาดขึ้นตรงนั้นโรคที่ตรงไหนถ้าเรามาพิจารณาถึงความโรคความโกรธความหลงนี่เหมือนกันโรคตรงไหนที่ไม่โรคก็อยู่ที่ตรงนั้นโกรธอยู่ที่ไหนความไม่โกรธก็อยู่ที่นั่นหลงอยู่ที่ตรงไหนความไม่หลงก็อยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจับนะ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 คือมันไม่สบายอ่ะไม่เรื่องอย่างภาษาสเสมีนเนี่ยพูดภาษาสเสมยียนนีงง่นั่งไปข่ว ง, งนอนตอนนะั้นอย่างวันนี้ตัวมันการใชาโยมไม่รู้จกักธรรมะวันนี้ก็ห่วงนอนเอาดีขนานั้นเนี่ยไม่ต้องอะไรอนะ่ะเอาดีมาเลียนกันตั้กกงคืนเลยนะอย่างนั้นไม่นอนไม่นอนเพราะดิง่านดีท่านเหยียนอนคือมันแปลกใจขึ้นมาเนี่ย ธรรมะนี่ตเหมือนกันเมื่อคู่เข้าใจธรรมะแล้วถึงจะพูดไ้กระชังคืนนะอืมจะฟังไ้กระชังคืนกันทังวันก็มีความหลุดดือดูดื้อไปทางนั้นมันเป็นๆนั้นนี่เป็นั่นจริเที่ว่าเราฟังทําไม่เข้าใจมันก็เหนื่อยมันก็หนิดเหมือนพูดไปฟังภาษาที่เขาพูดกันไม่รู้เรื่องมันก็ง่วงนอนเท่านั้นแหละไปฟังเพลงที่ไม่รู้ภาษาอะเนี้ก็ง่วงนอนเท่านั้น มันตีนไส่อย่างนั้นคนไม่รู้จักธรรมะก็เป็ น, น, นเป็นนั้นเมื่อเป็นเป็นนั้นก็ไม่เข้าใจในธรรมะไม่เข้าใจในธรรมะก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนกันไม่รู้เรื่องท่านั้นอืมเนี่ยก็ไอ้โทษโลกนี้เท่านั้นเองไอ้มิเทนั้นองค์สมเด็จพระสมาสัมปุเตช้าของเรานั้นตั้งแต่ศรีศรษะลงมาหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นไปหาศีรษะเนี่ยของดีๆทั้งนั้นนายโยมนะ เออของดีๆทางนั้นแหละเอจะเห็นความสงบระงับประจิตรงนี้ไม่ที่อื่นไม่ใช่ที่อื่นเห็นอาจารยเป็นจริงเรายอมรับอืเมื่อเรายอมรับเราเห็นเหตุที่ทุกข์เกิดขึ้นมาตรงไหนทุกข์เกิดแล้วก็ไม่ไปทํามันไม่ไปพูดมันไม่ไปปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาทุกคนก็มีเกิดเท่านั้นไม่เพราะปลูกมันขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นคนทําไมถึงไปทําความผิดอยู่บ่อยๆเพราะไม่รู้จักความผิด เนี่ยเมื่อรูจักไฟถ้ารู้จักจริงๆแล้วแต่อย่างไฟเนี่ยใครจะไปจับมันไหมมันร้อนจริงๆนะใครไปจับมันก็ร้อนแต่ทุกคนผู้หญิงผู้ชายไปจับมันก็ร้อนถ้ามันรู้จักเห็นนั้นไม่มีใครจะไปจับไฟนะแต้ความผิดนี้มันยิ่งร้อนยิ่งกว่าไฟนะมันร้อนยิ่งกว่าไฟแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันร้อนมัไม่เป็นไร อืว่าไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไรท่านั้นเนี่ยคือยังไม่รู้สึกไม่รู้จักใบความร้อนที่ความไม่ถูกต้องมันร้อนดิปุกไฟฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงฝืนทำบางทีเอาทางดูรู้นั่นแหละรู้รู้ว่ามันผิดก็ซ้ทำทําทำไมมันเป็นขีดขาเขามันเป็นขาดเขามันเป็นคนใช้เขาเต้องไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกจริงที่มันเป็นบาปนั่นแหละ เห็นเนี่ยเจ้าของก็เห็นว่ามันผิดอยู่คนอื่นก็เห็นว่ามันผิดอยู่แต่ว่าต้องทำทำไมเป็นทํามันเป็นสีคาตัญหาบอกใครวิ่งมันก็วิ่งบอกให้เดินมันก็เดินบอกให้นั่งมันก็นั่งบอกให้นอนมันก็นอนทั้งนั้นเนนั่นท่านยังเป็นทาตุพวกเราทั้งหลายนี้ถ้าหากว่าไม่รู้ธรรมะก็เป็นทาตของตัญหาแ่านั้นธาตุเขาสบายไหมโยธาตเป็นไง ธาตุมันเป็นยังไงดูว่าชาตุเป็นยังไงสบายไหมเราทุกวันนี่ก็เป็นธาตุจริงๆงนะแต่เราไม่พิจารณาแล้วไม่มีความรู้ปัญญาก็เป็นธาตของมันมันจะบอกให้ร้องไห้ก็ต้องร้องไห้มันจะบอกให้หวัวเราะมันก็ต้องหวัวเราะอมันจะบอกให้บูดให้เบี้ยวก็ต้องบูดต้องเบี้ยวมันจะบอกให้ยินมแย้มแจ่มใสก็ยินมแยนแจ่มใสดูแล้วก็ น, น่าสงสารนะ ถ้าเราได้ธาตุดีอย่างนั้นมันก็จะสบายใจเรื่อเกินเนา ะ, นะได้คนใช้สักคนอยู่บ้านอะไรอย่างนี้มันก็สบายแล้วนี่บอกให้วิ่งมันก็วิ่งบอกให้นั่งมันก็นั่งบอกให้นอนมันก็นอนนะอันนี้ตัญหามันได้เราเป็นธาตุเน่ยวันสบายใจเรือเกินเนาะแต่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าของเรากลาเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงถ้าเราเห็นกับมาในีนี้แล้วเราจะเห็นโอ้เราเป็นธาตของตัญหาเป็นธาตของกุมยาน จะทำยังไงทีเนี้ยไม่ทำมาหาเินเนื้อไม่ใช่อย่างนั้นเช่นนักศึกษาเมื่อวานอบรมเนี่ยนักศึกษามาอยู่ด้วยประมาณสักสี่ห้าคนเนี้ยเนี่ยอยู่เกอนพดินทอนอาจะามาไปโน่นไปอบรมอาตมาก็มาเทียรเรื่องว่าเราทุกคนเนี่ยโตมาพอสมควรแล้วพ่อแม่ให้เรียนหนังสือตรงนั้นเนี่ย เดียนหนังสือกันทั้งนั้นแหละบัดนี้มีบุญแลีวก็มีโอกาสมาอยู่ในเขืนที่ดินทอนอยู่กับผมเนะี่ยมาฝึกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยควรเอาหนังสือเน่ยเ้าไปได้หีปิดกุญแจแมนดีๆเ่ยอย่าไปอ่านมาเ้อยอ่านมาพอแรงเนีย่ยมันก็ไม่หายโรคกระดูงอะไรห็อกมันก็อยู่ง่ายมันยิงบุญให้ปิดดีๆแต่อ่านใจเล้่นี้นะ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 พอไกลไปดวกมันมารวมอยู่ที่นี่บางทีมันคิดเป็นทุกข์ยิ่งเหยิงก็มาอันนี้ก็ไม่แน่แถานั้นแหละไม่ต้องมากแร้วเอาหนังสือไปได้หีบหนังสบายนะสบายเนี่อยอ่านใจเรานะบัดนี้มันไม่ชอบคนนั้นนี่ก็ไม่แน่วันนี้ไม่ชอบร้านคนนี้ไม่แน่วันนี้ไม่ชอบรูปคนนี้ไม่แน่อย่างยาโย่เหมือนกันมีครอบครัววันนี้ไม่ชอบก็ไม่บ้าน แม่บ้านไม่ชอบต่อพอบ้านก็ไม่ได้ภาวนากันถ้าภาวนาอย่างอตะมาว่ามันก็ดีนี่ถ้าวันนี้ไม่ชอบพอบ้านไม่แน่เอาก็ไปสิถ้าวันนี้ไม่ชอบแม่บ้านไม่แน่เอออีกวันหนึ่งมันจะชอบหรอกนะอีกวันหนึ่งมันชอบแม่เห็นแล้วนี่ยตาหน้ามันไวเออมันคนคนนี้มันหลอกเรายังไม่หยุดนี่นะวันนี้มันกระอกเราเรื่อยอยู่วันมันหลอกตราด้วยเสมอทีเดียวละ ก็เราไปเชื่อคนคนนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนคนนี้มันหลอกลวงอะไอยู่เสมอ น, นี่เป็นอยู่อย่างนั้นอืมเป็นทุกข์มันก็ดีใจเป็นทุกข์มันก็แย่ใจอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัววัดตะก็ไม่มีอะไรมากไปคนนี้ถ้าพอใจแลต่ก็สบายถ้าไม่พอใจแต่ก็ทุกข์ร้องไห้มันก็เรื่องเท่านี้เราไม่เรื่องอะไรตรงนั้นแหละใครเป็นยังไงไหมนี่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 แต่พวกเราทั้งหลายไม่พิจารณาได้ลาบมาแล้วไม่อยากใ้มันเสื่อมไปได้ยศมาแล้วไม่อยากมันเสื่อมไปมีอะไรแล้ไม่อยากหออาหายไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมันต้องเปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วไม่อยากเจ็บไข้เกิดมาแล้วไม่อ ย, กกไมมอยากจะแก่อยากเป็นหนุ่มอยู่เงินมันขัดเนื้อเกินนี่ขัดเต็มลำเลยแท้แต่เราก็เข้าข้างมันอยู่ทุกทีนะ มันจะแก่ก็ไม่อยากจะแก่อยากแก่เมื่อหนุ่มอยู่งั้นแหละเมื่อได้มาแล้วก็ไม่อยากให้มันเสียให้มันมีอยู่งั้นเนี่ะอันนี้ไม่ได้มันขัดมันเป็นเรื่องอันนี้จังมันเป็นของไม่แน่นอนวันนี้ได้มาพรุ่งนี้มันเสียไปเสียไปได้ก็ได้มาได้มากกเสียไปถ้ารู้จักความจริงเอาสิโยมหายใจเราเนี่ยมันถ่ายอดไหมถ้าโยมอยากจะให้มันได้ใจโยมน่ะนะ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 ออยู่ในความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสารพัดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันฉข่นั้นร่างกายจิตใจของเรานี้มันเป็นอเนจังมันเป็นของไม่แน่นอนมันเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันไม่อยู่อย่างเนี้มันไม่อยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาไม่ดีซะแล้วอัตมาเห็นมาความเปลี่ยนแปลงนั้นมันดีแล้วเพราะทุกวันเราอยู่ในความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่โตมาขนาดนี้หรอกโยม มันนอนอยู่ในกระ珑เท่านั้นเนี่ยยาวสักพุดหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันไปโตเรื่องขนาดนี้หรอกที่มันโตมาเรื่องขนาดนี้ก็พอพอเพราะความเปลี่ยนแปลงนะละมันเกิดผลขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็กเป็นห น, นุ่มเนี่ยมันก็เป็นเงี้ยนี่ทำไมต้องมาความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในความเปลี่ยนแปลงถึงนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาหารการอยู่บริีโฟกันสันเดียวกันกันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงท่านเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงยังไงอัจมา จ, จะเล่ามีทานให้ฟังมีทานเรื่องกรรมฐานครับกรรมฐานนีห่หาความสงบอยู่บ้านน้อยก็ไม่สงบอยู่บ้านใหญ่ก็ไม่สงบมีของน้อยก็ไม่สงบมีของมากก็ไม่รู้ว่าความสงบไปอยู่ตรงไหนก็ออกธุดงไปขึ้นเขาไปโน่นไปพบที่ไอ้ที่โยมก็ไปเลี้ยงควายอยู่ในเขาเนะี่ย จวนภนษาแล้วไม่มีบ้านคนนะที่เขาไปเลี้ยงควายกันดะรูโฟนแม่โยมอาจมาเนี่ยมันจวนภนษาเนี่ยจะจำภนษาที่นี่ได้ไหมโอ้ยถ้าจำกับผมได้ก็ดีกรบเตมันทุกข์มันจนนะอยู่ป่าไม่มีอะไรโยมอยู่กันยังไงโยมปลูกฟักทองกัน ก, ก, ก, ก, กินฟักทองการกินข้าวกันกินฟักทองโอ้ยจะมาปรารถนาอยู่นานแล้วฟักทองเนี่ยชอบเยอะเกินขอให้มีฟักทองฉันเถอะห่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะแน่เดยวได้จำพรรษาสยมครับก็ฟักทองจะยุ่งไว้เต็มทุกวันเนี่ยแกงก็แกง่ฟักทองหนึ่งก็หนึ่งฟักทองทุกวันทุกวั น, วนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนในโยม เนี่ยนั่งเห็นหนึ่งฟักทองเห็นแกงฟักทองเลยเลยขาดภาษาโดยไปอยู่ไม่ได้มันเบื่ออ่ะไปมองเห็นเสาฟักทองแล้วเบื่อแล้วมันจะอาเจียนออกซะแล้วเนี่ยเออก่อนที่ยังมาอยู่เราก็โยมเนี่ยฟักทองอาจะมาชอบแลว้วปรารถนาอยู่นานแลว้วนะผลที่สุดขาดภาษาย้อนฟักทอง น, ะน่ะมันไม่เอาอีนี่เดียวว่ามันต้องเปลี่ยนแปลง Ản, มันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอาหารนี่มันสลับสับตอนเพราะนเป็นอย่างนั้นเราจะชอบอะไรกันแน่หรอชอบไม่ชอบอะไรแน่ชอบเรื่องมันไม่แน่เราชอบเรื่องมันไม่แน่อาหารทุกวันก็ต้องเปลี่ยน ว, น ix, นนนวัน น, น, น, นี่ทานนั่นวันนั่นทานนี้วันนี้ทานนั่นอยู่ใายมันชอบเปลี่ยนอย่างนั้นเ <forth. S 2> นี่คือความเปลี่ยนของมันเราอยู่โดยความเปลี่ยนแปลงนะ่ะ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 ฉะนั้นเรื่องกายกับชิตของเรานี้จะเอาอะไรกับมันแล้วมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้โยมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสันติงให้เห็นตันติยงให้รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอืมมันเป็นอะไรไหมเราอยากจะได้สิ่งทั้งหลายนั่นใจของเราใ จ, ข อ, าใจของเรากายของเรานี่อยากให้ได้ตามปรารถนาของเราทุกประการ น, นั่นมันก็ทุกถึงถึงวันตายเลยลองที่ล อ, องเนะี่ยนะไม่ทุกแล้วไม่ถู ก, ถ, กถึงนั้นนี่น้ำบาต อาจจะมาค่อยสอนในที่มีครอบครัวลูกหลานคนแก่คนแก่สอนเด็กสอนลูกสอนหลานนั่นโดยมากคนเราสอนกันชอบสอนเมื่อเวลามันกรดนะอเมื่อใจมันไม่สบายเราอยากจะสอนคนไปสอนมันก็ด่าเขาเท่านั้นแหละเห็นไหมล่ะต้องสอนเมื่อเวลาใจสบายสบายดีๆเราถึงสอนสอนลูกก็สอนเมื่อเวลามันกรด ไม่พอใจสอนหลานก็สอนเมือ่อไามันใจเศร้าหมองมันโกรธจะไปสอนเมลานั้นอืมจะไปสอนลูกสอนเมียก็ชอบใจชอบจกักจะไปสอนในเวลาที่ใจเราไม่สบายนั่นแหละอไปสอนเมื่อใจไม่สบายก็ด่ากันเท่านั้นแหละนะมันเป็นใส่ยอย่างนี้คือไม่รู้เรื่องแต่ความมันเป็นจริงอย่างเรามีลูกคนหรือสองคนเนี่ยรักมันมากถ้ารักมันก็ต้องสอนให้มันดี ตอนเช้าก็สอนมันตอนเย็นก็สอนมันบอกมันเรื่อยเรื่อยแม่ลูกชายมันลำคาญจะตายแตแล้วแม่นีบนตอนเช้าตอนเย็นจุก จ, จีจุกจิกมันไม่ฟังว่าเราสอนมันแหละแม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกรู้ ก, ก็เข้าใจว่าแม่จุจี จ, จุกจิกเดือดออกจากลำพานไปทอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนี่เดคือคนไม่รู้เรื่องกันเราเรื่องไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจของเรานี่กว่าอย่างนั้นไม่สบาย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราตอนยิ่งให้สอนให้ภาวนาภาวนาคือให้พิจารณารู้เรื่องจิตของเจ้าของนี่แหละไม่รู้เรื่องอื่นะจิตนี่เป็นของสอนยากเป็นของสอนลาบากเพราะว่าจิตนี่มีอํานาจถ้าไม่มีอํานาจมันก็สอนง่ายแต่นั่นแนหละไอ้สิ่งที่มีอํานาจจันสอนยากเมื่อสอนแล้วจึงจิตนี่จิงมีอํานาจสามารถพิจารณาอารมณ์ในทุกอย่างทุกประการ อันนี้เขาร้องไห้เราสบายอันนี้เขาหออัวเราะเยอะเราก็สบายอันนั้นเขาเสียใจเราก็สบายอันนั้นเขาโศกเศร้าเราก็สบายอันนั้นเขาเรื่นเริงเราก็สบายสงบอยู่เช่นั้นเนี่ยก็ไม่ไปที่ไหนก็มันมีเท่านั้นฉะนั้นเราจิ้งภาวนากันแล้วการภาวนาทุกวันนี้นะก็ภาวนากั น, นหลายอย่างนะ ไปแห่งหนึ่งก็พูดไปยังหนึ่งไปอย่างหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่งไม่รู้เลยว่าเราจะภาวนาอะไรกันไม่รู้เรื่องไปที่นี่ก็ภาวนาพุิ์โพธิ์ไปที่หนึ่งก็ภาวนาธรรมโมไปแห่งหนึ่งภาวนาสังโฆไปที่หนึ่งกับสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หังไปแห่งหนึ่งยกมือขึ้นอย่า ง, งนี้ยกตรงนี้ อไปอย่างหนึ่งก็เดินจมกลมช้าๆเดินตายไปเหมือนเก่าเนะนี่ยนะบางองค์คนไปแห่งหนึ่งเดินเดินพอดีพอดีเดินไปธรมธรมดาธรรมดาไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะเอาใครเป็นตัวอย่างเลยวุ่นอย่างนั้นแหละเอากุทโธมาว่าบางังเอาธรมโมมาว่าบางังเอาสังโฆมาบุญบั่งเอาอะไรมาหลายนะอย่างก็อย่างนั้นแหละมันไม่สบายใจนี่ก็เราไม่รู้เรื่องของมัน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 นะในครั้งพุทธการก็อย่างนั้นพรามคนหนึ่งมาฟังทรรมพระพุทธเจ้าของเราอ่ะทำมันนั่นก็บาปอันนี้ก็บาปมันนั่งนั่งไม่สบายใจเลยเรามองไปอดีตเดียวม่จฉาบาปทั้งนั้นอยู่ในวา่าดบาปทั้งนั้นทำอะไรก็าบาปทั้งนั้นเนี่ยเพศจบลงเลยฆ่าแจ่พระพป็นเจ้า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 นี่ทำแต่น้อยมีประการหนึ่งแต่อย่าทำบ่อยๆนี่เป็นประการที่สองอยังมีใครยังชั่วน่อยเนาะเนี่ยคลามก็สบายใจขึ้นนะอันนั้นอันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ผิดกิด ม, มันก็วุว่นวายกันเท่า น, นั้นเนี่ยท่านบอกว่าเออทำก็ต้องเยอะทำแต่น้อยมันก็สบายขึ้นนะอย่าทำมากอย่าทำบ่อยๆนาะ สองอย่างเท่านั้นเนะ่ยโยมข้อปฏิบัติเราทุกคนลองลองดูดิเอาจะกินเหล้าก็กินแต่กินแต่ น, น, น้อยแต่อย่า ก, กินด้วยนะทําไปเถอะเดี๋ยกวก็หยุดเท่านั้นแหละเดี๋ยกวก็หมดบาปอะไรก็เหมือนกันเท่านั้นทำความผิดก็เหมือนกันติดแต่น้อยทีมันถ ด, ดไม่ได้ทำผิดแต่ว่าทําแต่ น, น้อยอย่าทําบ่อยๆ อ, อินทรีย์มันก็กล้าเปนเท่านั้นแหละ จากคุณสีโซตินสีคายินสีมายินทรีสารพัดอย่างอินทรีย์ตั้งห้านี่มันก็กล้าทุนสร้าขึ้นมันก็มีกําลังขึ้นดียๆมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเดียว่าบบารมีของเรามันก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาค่อยๆเต็มขึ้นมารูขึ้นมาตรงนั้นเลยว่าพระพุทธเจ้าทันยนเอาจัดทางหลายที่อินทรีย์ยังไม่กล้าให้กล้าขึ้นมาเราเป็มคารวะอยู่ทุกคนทุกคนก็เหมือนกันฉั่นนั้น อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยอะไรมันมากก็คือมันไม่น้อยมันถึงมากถ้าเราให้มันน้อยไม่ให้มันมากกว่าก็ต้องน้อยจ็ดจำนวนมันมากออกเสียให้เข้าใจเช่ น, นั้นทุกคนแล้วก็สบายใจกันธรรมะมันได้อยู่ไกลลราเราคิดที่ถูกแล้วไอ้สิ่งนี้มันถูกอยู่แล้วแต่ว่าเราคิดยังไม่ถูกท่านจึงมาปฏิบัติให้มันถูกในความเป็นจริงมันถูกอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักถูก มาภาวานามันรู้จากความถูกมันแจ้งมันก็เมื่อรู้จักถูกแล้วมันก็สบายขึ้นมาเท่านั้นท่านเรียกว่าบรรดุธรรมะกัตตารุธรรมะบรรดุธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นความจริงเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้นะไอ้ความจริงทางเราเนี่ยเอามาหมดทุกผลนะเนี่ยแต่เราไม่เคยมองมันจะมองเห็นความจริงแท้จริงจริงมันก็ไม่เคยอยากจะมองนะเออดูที่ให้ น, นั่งกนดพุถุโธปตัวให้บริกรรมมาเดี่ยแล้วนั่งแพ็เดียวไปโน่นเนี่ย นั่งเท่าจะไปโน้ตไปโน่นไม่รู้มันไปที่ไหนไอความเป็นจริงมันก็ไม่ไปมันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนี่ยก็เหมือนมันไปร่างกายของเราก็ส่วนหนึ่งจิตใจของเราก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจบมันไม่แน่นอนใจก็ไม่แน่นอนตายก็ไม่แน่นอนมันจะคิดดีก็จะไปเชื่อมันมากออไปคิดชั่วก็จะไปเชื่อมันหมักให้รับรู้มันไว้ดูมันไปเรื่อยๆมันท่านสอนว่าพิจิุรทั้งหลาย ผู้ที่ตามลักจิตของตนผู้นั่นจากพ้นจากหวงของมานให้ตามมันเถอะมันทำผิดกใครรั่วมันทำผิดมันทำถูกใครรั่วมันทำถูกอย่างเงี้ยทุกวันแต่มันรู้ไปเถอะภาวนาไปเถอะเดียกวกับพร า, าลงพราลงนะที่เรื่องการภาวนาไม่ใช่ว่าการนั่งกับตาเฉยเฉยไอภาวนานี่บางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันไม่มีโอกาสจะภาวนาหลวงพ่อทำไมแหมข้าขายทำมาหากินนะมะ เอยุ่งไม่ได้ภาวนายอมเห็นการภาวนานั้นเป็นยังไงยอมขายของมันยุ่งยุ่งทำงานยุ่งยุ่งยมโยอมหายใจไหมดโยมหยุดหายใจเออไม่หยุดที่ทำไมมีโอกาสไม่หยุดอ่ะทําไมมีโอกาสหายใจเมื่อเราทํางานมากๆมันยุ่งอังแม้ร้องไห้อยู่มันนะก็หายใจนะกินข้าวมันก็หายใจนอนดับมันก็หายใจทําไมมันมีโอกาส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 จะนอนก็ภาวนาฤกษ์ดีเด็ดม่นเข้ามาถึงว่าเรานั่งกับตาดืมังตา ม, มันไม่เข้ามาล้วนั่ง เ, เข้าใจทีนี้เออจ้าก่อนเข้าใจว่าก็นั่งกับตาภาวนากันนะ